y mm -hmm. Al-shan. بسم الله الرحمن الرحيم ج ร ا ل ห์มานุ ن รอฮฺิมจงอั ن ฮัมดุลิลล و ฮฺนะฮ الله ห ن ุวะนะ ن ต س ยหฺุวะนะสตัฟิรุวะนะอูซฺบ ل ลลาฮฺุ์มินชุรุรุลอัมฟุซินะ و ะมินสัจญิอาติอัมมาร حد หฺุลาชัริกละวะชัลฺ اللهم بك m ص ب ح k a a s b a م س ن ن م ا ن ا و i k a a ي ا وبك ن wa b ي k ا nahiya wa b أعوذ بِكَ لِمَاتِ اللَّهِ بِكَ لِمَاتِ اللَّهِ تَمَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خ َ ل َ ق بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَا عَسْمِهِ ش َ ي ٌْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ا ل س َّ م َ ا ء ِ وَهُوَ السَّمِيعُ ا ل ع ل ي م ر ب ي ب ا ل ل ه ر ب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 ว ز าจ ي นต์ตาอาร์ชีว่า م ิดาคำลิมัติฮียาไฮ ي ุยาป ا ยุมบ ي หัมติกาอัตตั ل ริสุอัลล س ฮ์ฉะน ي ค ح ลลฮฺ ل ะลาต์คิลนีอี ي าเนฟซีทัชฟะ م ัยนินฮ ن สบิอัลลอฮฺว س นิยามลุวาคิลซุบฮานัลลอฮฺวะบิฮัมดีฮฺอาด وعلى كلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมในมาศบวติมัส j i a n a r i s a ที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการ ตั้ซีรุลกุรอานผ่านเฟซบุ๊กสวรรค์นในบ้านนะครับที่นั่งอยู่ที่บ้านท่านนะครับละทำดุริแลขอบคุณอัลลอฮ์สุภาห์อุบตาลาที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงชั่วโมงเนี้ยวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรดีเท่ากับขอบคุณอัลลอฮ์นี่มันเป็นมารยาทที่ท่านนาบีุลเสอนเรามารยาทผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ย ต้องเดินตามนาบีเท่านั้นถึงจะปลอดภัยเดินตามคนอื่นไม่ปลอดภัยครับเพราะอัลลอฮฺในตะข่าวัสพ์คุณอ่านเตือนมาว่าหลักกานาฬิกุมฟีรอซูลินละฮิอุสวาตุนฮัสนาแท้จริงแบบฉบับในตัวของท่านนบีนั้นคือแบบฉบับที่อุสวะแบบฉบับฮัสนาแปลว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ หวังว่าจะไปพบกับอัลลอ์ในโลกอาคียรอฉะนั้นเดินตามคำสอนที่ท่านนาบีให้เรียกวัาสุนนะนบีเนี่ยมีอยู่สามแบบแบบที่หนึ่งสิ่งที่ท่านนาบีสอนสอนสอนสอนสองสิ่งที่ท่านนาบีปฏิบัติปฏิบัติและสาฮาบะก็เห็นแล้วก็เอามาเล่ากันฟังถึงเราวันนี้อันที่สาม สุภาบุรนบีปฏิบัตินบีเห็นนบีพอใจนั่นเรียกว่าสุนัขนบีเอาสามรายการนี้แหละมาประดับชีวิตของเราจนกว่าจะตายนะครับ <c oughs> ขอบคุณนอลลอนนะครับที่เราทบทวนอัลกุรอานมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่สี่สิบนะครับแล้วก็เพิ่งได้สี่สิบสี่อายะเพิ่งเริ่มอายะที่สี่สิบสี่ยังมีอีกเท่าไหร่ หลายสิบนะขอาของอัลลอฮ์นะเราพยายามอ่านอัลกุรอานศึกษาหาความรู้จากอ่านกุรอานเพราะเป็นคําสั่งของอลัลลอฮ์นะให้อ่านกุรอานให้ทบทวนกุรอานทุกวันไม่ใช่อาทิตย์ละครั้งในสมัยนบีเนี่ยบรรดาสวาบานาบีและนบีเตือนสวาบานให้อ่านกุรอานหนึ่งจบเนี่ยสี่สิบวัน นี่นบีสั่งนะให้อ่านคุรุอ่านเนี่ยให้หนึ่งจบกี่วันนะอาบายนะยา a ุมันฟตีเดมีอยู่คนหนึงเขอ่านคุรุอ่านเดือนละเดือนละยุสไม่ใช่เดือนละวัละยุสวนวละสก็เดือนหนึ่งก็จบแต่ที่ท่านนาบีพูดเอาไวนะ้น่ะมันกำลังสวยนะ สี่สบวันหนึ่งจบต้องอ่านแล้วพี่น้องเลยไอ้ปีละจบเนะี่ยมันน้อยไปนะหนึ <c oughs> ่งประดักเดือนละมัตอนอย่างเดียวก็น้อยไปเพราะอัลลอฮฺให้รสกีเราต้องเยอะแยะไปหมดเนี่ยให้มีชีวิตให้ภรรยามาให้ลูกมาให้บ้านมาให้รถมาให้ต้องเยอะแยะแต่จะอ่านกุรานคำพีของอัลลอฮฺเพื่อตัวเราเองเนี่ย ก็ขอทุกอาตาร้อให้เราหันไปเอาอัคลา ค, คือสุนนะของท่านนาบีเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันขอบคุณาลาร้อนนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราขึ้นสูระอนใหม่สูรออัดดุคออัดดุคอนนี่แปลว่าไอาหมอกไอหมอกไอหมอกเนี่ยจะเกิดขึ้ น, นสองครั้งเนี่ยฟังจากอ่านจากคดีทั้งหมดเลยนะ เกิดขึ้นมาแล้วในครั้งหนึ่งนบีสมัยนบียังมีชีวิตอยู่นบีสอนอิสลามเนี่ยสอนเรื่องอัลลอฮ์มีองค์เดียวตายแล้วต้องฟื้นไม่ใช่ตายแล้วตายเลยแล้วก็ทุสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้อัลลอ์รับผิดชอบสร้างแต่เพียงผู้เดียวคนก็ดา่ <c oughs> ดาด่นานบีอัลลอฮ์ก็เรียกว่าแก้แค้น ภาษาไทยแรงนะแต่ถ้าถ้าภาษาอารา ก, ก็ออินติกรมอินติกรมแปลว่าลงโทษเป็นการตอบแทนแทนท่านนบีมุฮัมมัดแล้วก็แทนผู้ศรัทธาต่อรอดด้วยเกิดขึ้นมาแล้วในมักกะเมื่อพันสี่ร้อยปีเนี่ยจะมีหมอกควันหมอกควันเนี่ยยามประมาณสี่สบวัน เสร็จแล้วก็แห้งแรงแห้งแรงขนาดไม่มีอะไรทานกันนะอลัลลอฮ์ลงโทษนะคนที่แอนตี้อิสลามแอนตี้คุรานแอนตี้นบีแอนตี้สุนนบีเนี่ยลงโทษมาแล้วเห็นอย่างอาลัลลอ์เนี่ยปกป้องนบีขนาดไหนและปกป้องอิสลามขนาดไหนเพราะอิสลามเี่ของอลัลลอฮ์อันนั้นทานมาแล้วนะ แต่อัดุคลที่ว่าไอาอะไรนะไอหมอกหรือหมอกควันเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยใกล้ๆวันกียามาในอัลกุรอานสั่งว่าฟัสตักิบะจงรอคอยภาษานีแรงนะจงรอคอยเกิดแน่แล้วก็เกิดตอนไหนนครับมันมีหกหกอลาลมาตัตมีบางบางรายงานว่าสิบอาลมัต สิสัญญาณวันวั น, วนกีม่มาเอาไข้ห ก, ก่อนมันจําง่ายดีนะข้อที่หนึ่งมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมอาจอธิบายแล้วแต่มันยังไม่หมดน่ะ น, นะ <c oughs> ข้อที่หนึ่งจะมีดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกเป็นไปได้ยังไงเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังพอดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกปั๊บเนี่ยนะคนที่คิดจะเป็นมุสลิมจะเต่อบาสตัวเป็นคนดีหมดเสร็จแล้วครับ นี่เล่าให้ฟังล่วงหน้านะ่ะมีศาสนาใดบ้างที่สอนบอกล่วงหน้าเลยนะวันนี้เองทำความดีเป็นมุมินให้เริ่มความดีตั้งแต่วันนี้อย่ารอให้อะไรนะดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกเราคงตายก่อนแล้วนะเป็นห่วงลูกหลานอีกแล้วอาา้าเรื่องที่สองอดุคอนสโมกหมายถึงอะไรนะไอควันหรือว่าไอไออะไรนะ ไอ้ไอ้หมกมังก็จะตามมาใกล้ๆวันเกีย ม, มานะมงานนามานานประมาณ4ี่สิวันแล้วคนกาเฟตนี่จะสลบหมดเลยคนกาเฟตสลบหมดคนที่แอนตี้อิสลามจะอยู่ในปร ะ, ประเทศไหนของโลกก็ตามสลบหมดครับมาทั้งโลกเลยนะแล้วก็สำหรับผู้ศรัทธาต่อร้อยที่นมาถ้าเวลาที่อ่านอัลกรุรอานที่ศึกุลลอ ที่ทำความดีกับพ่อแม่ที่ดูแลภรรยาเนี่นะครับเป็นห่วงสังคมที่ทำงานศาสนาดาว่าเนี่ยแค่เป็นหวัดอ่านแล้วพอสบายใจครับนี่อลัลลอฮ์คุ้มครองปกป้องผู้ศรัทธาขนาดนเนี้ยยังไม่ยึดอลัลลอฮ์ให้แน่นดีกหรืเปล่งทีนี้ข้อที่สามอัลดจารดดจา ร, จารหมายถึงผู้โกโหกผู้หลอกลวงมนุษย์ วันนี้นี่เราพอจะเข้าใจว่าคนที่หลอกลวงมนุษย์ก็คือคนที่ยื้อพูด ใ, ใหญ่ใหญ่อยู่ในตะวันตกในเยอะที่สุดแต่คนตะวันตกก็เริ่มรับอิสลามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นหัวหน้าก็คือยัฮูดีนะครับทาลายอิสลามแต่อลัลลอฮ์บอกว่าเองจะต้องทุ่มเงินเพื่อทำลายอิสลามและคุณจะทุ่มเงินของคุณออกเพื่อทำลายอิสลาม เสร็จแล้วคุณจะพบกับความเสียใจและคุณจะถูกพิชิตยอย่างแ น, น่นอนในคุรานั่นละเล่าให้พวกเราฟังให้นบีมุฮัมมัดฟังต่อมาครับเรื่องที่สี่จะมีอ ด, ดาบดาบสัตว์ชนิดหนึ่งที่โผล่มาจากระหว่างบ่อ น, น้ำดำํๆกับกับกาบ้างจะโผล่ตรงนั้นเราก็จะวิ่งไปทั่วโลกจะไปประทับตาทิตานเนีนนาภา ใครที่ไม่เอาอิสลามวันนั้นจะรู้ชัดเลยบางทีบ้านหนึ่งมีสองศาสนามีใช่ไหมผัวเป็นมุสลิมเมียเป็นแขกผัวเป็นอะไรกร็กรกรกรกตามแทยอยู่ในบ้านเดียวกันวันนั้นเห็นชัดหมดเลยครับอดดาบสัตว์ชนิดหนึ่งจะโผล่ออกมาแล้วก็วิ่งไปทั่วโลกไปประทับตาโอ้นี่อิสลามเล่าให้ฟังเรื่องไม่เรื่องจริงทั้งหมดนี่นะต่อมาเรื่องที่5คอซตันคอซาอาดีกุม มีการลงโทษวันบายวันเล่นงานที่ละคนละคนละคนละคนละคนละคนเอ๊ชาเนธทำไมเป็นนั่นทำไมฉันเป็นนี่มีปัญหาตามมาเต็มเลยนั่งรอแล้วเล่นงานเออไงทำไมเองไม่กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีหันมาเรียนศาสนาได้แล้วไม่รู้สึกตัวงะ่ะแต่คนฟังศาสนารู้แลวโว้ย เราถูกนน่นถูกนี่ถูกปัญหาเยอะแยะแต่มุสลิมถูกปัญหาบ้างนี่นะเพื่อเป็นการเตือนให้สำนึกแล้วก็ให้เตบาบ้าตัวให้ทำความดีมากกว่ากก่าอะไรที่มันขาดตกบกพร่องพยายามปรปับปรุงตัวเองข้อที่หกเอาอัมบุลามะหรือว่าการลงโทษแบบทั่วไปหมดเลยขอขอดาตอนรองให้เราเป็นมุสลิดีกว่านะก่อนที่อาดาบหกรายการอาลามะก่อนวันเกียมากก่อนจะมา ให้เราอยู่ในคุนทางของอัลลอฮ์ตายในสวทางของอัลลอฮ์และรักษาศาสนาของอัลลอฮ์เราเป็นคนส่วนหนึ่งในมนาอี ก, อกร้อยร้อยล้านนะครับที่จะรักษาศาสนาของอัลลอ์สุภายตายุาลวเอาวันนี้มาอายะที่ที่เจ็นะครับซุรอั ด, ดูคอดูคอนเป็นอะไรนะไอหมอกหรือว่าควันนะครับรอบบิสมาวาติว่ ว่มาบื <Gao dumb controlled rebellion> ้น้าหมาอิงคุณตุมุมมินนินรบบสัมมาวัติ والأرض ว่มาบื้น้าหมาอิงคุณตุมมุมมนนอัลฮัมดุลิลลอันกุรานสบายใจพี่น้องดูสับด้วยนะรอบบี้นี่แปลว่าพระผู้อภิบาล ไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าต้องอิลาหุนอิอล่านะคือเราจะไปก้มลงกราบสิ่งอื่นได้นอกจากอัลลอ์ไม่ได้นั่นเรียวกว่าอีล่คือการรู้จักอัลลอ์มีอยู่สามอย่างหนึ่งอัลลอ์เป็นคอเล็กเป็นผู้สร้างสร้างทุสิ่งทุอย่างบนโลกใบนี้ข้อที่สองอัลลอ์เป็นรอบบุญเป็นพระผู้อภิบาลอ่าเข้าใจนะ คอลเลกด้วยแล้วก็อภิบาลด้วยและเป็นอิละด้วยอิละหมายถึงไม่ไม่อนุญาตให้ก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องเดียวเมวื่อวานเืิญมีคนมารับอิสลามมาจากนครศรีธรรมราชธรรมรับอิสลามทำไมอ่ะจะแต่งงานกับผู้หญิงมุสลิม ท่านมารู้จักพระพุทธเจ้าว่างไม่สิทธะเป็นอะไรไม่ทราบครับท่านถ้าจะอยู่แบบนั้นอนะ่ะอย่าอยู่เลยมุสลิมจะทําตัวแบบนั้นไม่ได้มุสลิมต้องเรียนครับอิกราะเห็นไหมอายาแรกที่ถูกประทานลงมานะอะไรอิกระหจงอ่านนี่เอนอามัดนะเป็นคําสั่งนะมูฮัมหมัดจงอา่าน ทั้งท่านนบีอ่านกันอ่านอานคุรานไม่เป็นแต่ทำไมบังคับให้อ่านเน่ยเหมือนก็เตือนเราว่าเนี่ยต้องอ่านหนังสือครับอย่าอยู่แบบไม่อ่านอัลลอฮฺบอกว่าฉะนั้นต้องอ่านแล้วก็เด็กคนเนี้ยรักอิสลามพวกมากุณเปลี่ยนความรู้สึกหน่อยได้ไหมที่รักอิสลามเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ก็ค่อยอธิบายเราขอร้องให้มาเรียนทุกวันอาทิตย์ แล้วก็หรือมก็ส่งไปอยู่ที่สานติชนไปหาพวกในนําแค่นี้พอทีนี้อัลลอฮ์ในฐานะเป็นรอบเป็นไรนะเป็นพระผูออ้อับบิบาลและอัลลอฮ์มีศีลเท่าไหรนะอีก9กพระนามเช่นทรงได้ยินทรงเห็นทรงสร้างให้เป็นให้ตายให้รวยให้จนให้ตําแหน่งสูงให้ตําแหน่งลดโอ้โหอีก99สิบเศีลธรรน่ะอยู่ใ น, นอัลลอฮ์หมดเลย เราต้องศรัทธาในเรื่องเหล่านี้แบบพันเอร์เซ็นตะครับอัสมา ว, ว่าแต่ว่าชั้นฟ้าทั้งเจ็อัลลอ์สร้างครับอลัลลอ์รับผิดชอบดูแลแต่เพียงผู้เดียวบนชั้นฟ้าเนี่ยมีมลายกาเต็มไปหมดนับไม่ท้วนครับบนชั้นฟ้าเนี่ยมีมลายกาบางบางกลุ่มกำลังยืนอยู่ครับตั้งแต่วันที่อลัลลอ์สร้างชั้นฟ้ามายืนอยู่ยังไม่ได้ขยับเลยนะ บางกลุมสุญูดอยู่บางกลุมรุ ก, กว่าอยู่ไม่ได้เปลี่ยนท่าละร้องสั่งทำอย่างนี้ก็ทำแบบนี้จนกว่าจะถึงวันกี่มาฉะนั้นเราเนี่ยเวลาเราทำความดีเนี่ยจึงดีกว่ามล า, ายกิกเพอมล า, ายิกาเนี่ยไม่เคยทาความผิด ท, ทั้งชีวิตไม่เคยทำความผิดที่เราถูกหลอกใช่ไหมถูกหลอกไงนะถ้าเราไปนั่ง อะไรแต่อะไรที่กูโบหลังจากมะเสียชีวิตแล้วเนี่ยมะเลก้ามาเนี่ยจะหนีมาเลก้าไม่ทำผิด <c oughs> นี่ก็สอนกันจนกระทั่งแต่แค่นี้พอพี่น้องครับร บ, บิสมาวา่าอัลลอฮเป็นพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าทั้งหมดนะั้นเจ็ดชั้นและสิ่งที่อยู่วัลอรดีและแผ่นดินเอิร์ธ ออแผ่นดินเนี่วยวมาไบนาหูมาไนแปลว่าบิตวีในระหว่างในระหว่างชั้นฟ้ากับแผ่นดินอัลลอ์รับผิดชอบดูแลแต่เพียงผู้เดียวนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลล์สุวตะลในต a อธิธบายบอกว่ากฟาบิลลาฮิวกีลาอัลลอฮ์องเดียวนี่ยังไม่พออีกเหรอ ที่จะไว้ไวใจในอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เป็นตัวแทนเรานี้ยังไม่พออีกหรือนี่ถาม ah อัลลอฮ์ถามกับเบกุรอานกาฟาบิลลาฮิชาฮิดะให้อัลลอฮ์องเดียวเป็นพยานยังไม่พออีกหรือกาฟาบิลลาฮิรอตีบาให้อัลลอฮ์เป็นผู้เฝ้ามองดูนี่ยังไม่พออีกหรือกาฟาบิลลาฮิวารียะให้อัลลอฮ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลแต่เพียงผู้เดียวนี้ยังไม่พออีกหรือ กฟ้าบิลลาฮิอาลีมันอัลลอฮ์รู้แต่เพียงผู้เดียวนี่ยังไม่พออีกหรือกฟ้าบิลลาฮินัสริรออัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือแต่เพียงคนเดียวนี่ยังไม่พออีกหรอยังไปพึ่งสิ่งอื่นอีกหรือนี่เตือนคนอ่านกุรานเขว่าวกฟ้าเนี่ยมีประมาณกี่ข้อครับหกข้อกฟ้าบิลลาฮิวาคีนอัลลอฮ์องเดียวนี่ยังไม่พอเลยพูดกี่ครั้งนะหกครั้ง กฟ้าบิลลาฮิชาฮิดะกฟ้าบิลลาฮิราคิบะกฟ้าบิลลาฮิวาลีะกฟ้าบิลลาฮิอัลีมะกฟ้าบิลลาฮินาะริรอมีตั้งหกครั้งในการเมพ์ุณอ่านกว่าจะเช็คได้พี่น้องเหนื่อยมั้งกันนะเพื่อมาให้พี่น้องฟังแบบสบา ย, บายไม่ต้องเหนื่อยทำได้ลยแล้วคือพึ่ง Allah อัลลอฮ์องเดียวพอแล้ว อลัลลอฮฺเป็นพยานพอแล้วอลัลลอฮฺเป็นผู้เฝ้าดูพอแล้วอลัลลอฮฺเป็นผู้คุ้มครองพอแล้วอลัลลอฮฺเป็นผู้รอบรู้แต่เพียงผู้เดียวพอแล้วอลัลลอฮฺเป็นผู้ช่วยเหลือเราช่วยเหลือเราให้รอดพ้นจากปัญหาความเดือดร้อนพอแล้วฉะนั้นต้องขอทูลาต่ออัลลอฮฺบ่อยๆเ ส, สมอหยุดขอทูลาต่ออัลลอฮฺไม่ได้นบีสอนน่ะเชือกรองเท้านะบีขาด น บ, บียังขอใช่ไหมนี่เตือนอะไรเราอ่ะพอน บ, บีเป็นบุคคลตัวอย่างานั้นเราไม่ต้องขอก็ได้เดินไปซื้อที่ร้านใช่ไหมเอาให้ใครไปซื้อแทนได้หน่อยแต่น บ, บีขอเนี่ยเตือนพวกเราเองอย่าตะก บ, บอย่าเ ย, อย่อหยิงให้ทอมตนกับอัลลอ์ทุกทุกอิริยาบถเลยนะ่ะให้นึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ุาวตอาลรบบมาวาิวล ล l l ห์เป็นพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายวัลอรดีและแผ่นดินนี้ว่ามาใบานะว่ามาและที่อยู่ในทั้งสอ ง, ท, งทั้งสองรายการอิงกุนตุมมูมุใช่บ่าอิงกุนตุมมูกีนเนี่ยมุกินบวบาญกีนไงอ่าทเดิน ม, มาจากญกีน ถ้าท่านทั้งหลายถ้าสูตเจ้าเป็นทั่วเป็นผู้เชื่อมัน่นอยากินหมายถึงเชื่อมัน่นถ้ามุหมินประวัตธรอยากกินอะไรนะเชื่อมัน่นโร บ, บิสซามาวาติวัลอรด์ดวามาไบานาหูมาพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินคืออัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน วามาไบนาหูมาและที่อยู่ในระหว่างทั้งสองอิงกุลตุมมูกีนีถ้าสูเจ้าเป็นผู้เชื่อมัน่นเชื่อมั่นเนีเ่ยอะยังบางคนแต่งงานเนี่ยไม่มีลูกอะ่ะไปหาตัวตะเกียดนั่นนะบาปเลยล่ะแต่บางทีเอาล้อต้องการว่าคนนี้แต่งงานแล้วอีกแปดีถึงจะมีลูกซึ่งกำหนดเอาไว้ก่อนไนงะอีกแปดปีจะมีลูกตัวเองไม่รู้หรอก คนริมบ้านตะวันลงไปหาโตตะเกียดูสิไอที่ไปในปีที่หก็ไปโต๊ตะเกียจ่าช่วยขอทูลาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันหน่อยภาษาเพราะนะโตตะเกียจ่าให้ขอทูลาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันหน่อยภาษาที่ไปขอเนี่ยละพิษไปขอจะคนตายอัลลอฮ์ห้ามเปล่าห้าม แต่นี่พอไปขอปราบกลับมาก็อีกสองปีไปไปปีที่หกใช่ไหมตีเจ็ดพอปีที่แปดทองเมียทองเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ฝีมือใครไม่ใช่โตตะเกียร์หรือลืมมัรอแล้ ว, ลวเนี่ยเตือนพวกเราท่านอย่าไปพึ่งสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์สุบฮานาหูวาตาแล้วนาทับซีตอธิบายดีก็บอกว่าพวกท่านทนี่ามไม่พึ่งอัลล์ ขนาดเฟรอนไม่เอาฉันนี่นะฉันเลี้ยงเข้ามาน่ะสี่รอยปีโอ้โหผเพิ่งรู้เหมือนกันนะผมเพิ่งรู้ว่ากษัตริย์ฟาโรนะ่ะอายุยาวนะ่ะสี่ร้อยปีอัอลลอว่าอัลลอ์เล่าบอกว่าเห็นยังฉันเลี้ยงฟาโรฟาโรนะ่ะด่าฉันด้วยนะด่านบีมูซาด้วยทำลายอิสลามด้วยสารพัดทำสี่ร้อยปีให้อยู่ในวังด้วยนะ 400 years 400ปีนะฉันยังเลี้ยงได้อะแล้วพวกท่านทิ้งทิ้งคิดอะไรอ ะ, อะเรื่องที่สองกษัตริย์นุ่มรูดเนี่ยก็หลายร้อยปีไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้บอกว่ากี่ปีพวกอาร์สมูตินี่ที่มาก่อนหนะ้าพวกเราเนี่ยนะทศยศต่ออัลลอ์เนี่ยอลัลลอ์ให้ให้มีความสามารถเจาะภูเขาทําเป็นบ้านอยู่นะ่ะเขาตะกับบูธเยอะยิงว่า กูไม่ตายแล้วเพราะว่าความตายเนี่ยมันเข้าภูเขาไม่ได้โดนคิดผิดกันสิใช่ไหมนเนี่ยรอนเล่าให้ฟังฉันก็เลี้ยงมันให้อาหารมันให้มันแข็งแรงให้มั น, น, นมีนู่นมีนี้แต่แม่เองก็ต้องตายเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็คนทั้งโลวกวันนี้อัลลอฮ์รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเจ็ดพันล้านคนอัลลอฮ์รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแค่สมุกมาเนี่ยอะไรนะ ไอ อ, อะไรนะไอหมอกจะมานะใครรูอ้อะไรมันจะเกิดขึ้นวิ่งกันพลาดหมดเลยอนะ่ะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่ดุครจะมาไอาหมอกจะมากลับมาหาอัลลอฮฺมาศึกษาอิสลามมากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีมาดีกว่านะครับ <c oughs> แล้วอัลลอฮฺอธิบายต่อไปอีกบอกว่า <c oughs> พวกนี่นะพวกที่นอนอยู่ในถ้ำ อัลลลกาฟีเนี่ยอธิบายอานี้เนี่ยรบบิสมาวะที่วาอัลอดววามายนะฮมาอิงคุนตุมมูตินีท่านท่านหลาดนพูดเชื่อมั่นในอัลลอ์เนี่ยนะอัลลุลกาฟีเนี่ยนอนในถ้ำกี่ปีสามรอยปีนอนนะอัลลอฮ์ให้นบีมาสอนบอกว่าอยู่ในถ้ำสามรอยปีเนี่ยเคย เคยคิดบ้างไหมไม่ได้ชีเลยสามรอปีอยู่ได้ยังไงแล้วก็สามรอปีเนี่ยไม่ได้ถ่ายด้วยทาไมไม่ไม่ใช้ปัญญาบ้างใครดูแลสามรอปีเนี่ยไม่หิวด้วยอะแล้วสามร้อปีเนี่ยนะไม่มีซี่โครงเจ็บด้วยคนนอนเนี่ยพลิกปีละสองครั้งออก็ซ้ายก็ขวามันก็ต้องเจ็บซี่โครงบ้างใช่ไหม แล้วเรานอนอยู่ที่บ้านเน่เจ็บเลย ไ, ไม่เจ็บเจ็บบางที่ตกหมอนบ้างอะไรบ้างสารพัดจะล้อให้เราเห็นน่ะแต่อาลุลกาฟีนอนอยู่สามรอยปีชีก็ไม่ชีกินก็ไม่ได้กินหิวก็ไม่หิวเจ็บหลังก็ไม่เจ็บหลังเสื้อผ้าที่ใส่อยู่สามรอยปียังไม่เก่าเลยอะ่ะถว่าใครดูแลเรื่องอย่างนี้เนี่ยโทษตะเกียร์อะอย่างนี้เป็ต้นนะครับต่อมาครับ ไม่มีสัตว์รายแม้แต่มแมลงป่องสัตว์รายจะมาทำลายสามร้นอยปีนอนอยู่น่ะเน่าก็ไม่เน่าตายก็ไม่ตายเจ็บก็ไม่เจ็บใครดูแลใครรักษาไม่ใช่ฝีมืออัลลอฮฺหรือท่า น, นคนที่อ่านคุณอ่านต้องใช้ปัญญานะครับพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยอัลลอเล่าเองนะ <c oughs> นี่คนไปถาม <c oughs> คุณนอนอยู่สามร้อยปีเนี่ยคุณนอนกี่วัน คนที่นอนสา0รอปีตอบว่าลาบิสนาลาบิสนายาอุมันเอาบาอดยาอมินเรานอนแค่วันเดียวหรือไม่ครึ่งวันทำไมตอบเป็นตอบอย่างนั้นละ่ะก็ความรู้สึกน่ะเหมือนนอนครึ่งวันแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยฮัมดุลิละและคนที่นอนเป็นเด็กหนุ่มนะห้าหคนฟติยาตุนอามานูนี่ต้องการจะอธิบายว่าคนที่มีอม م า ن ต่ออัลล์เนี่ยอัลล์จะดูแลรักษา เป็นเด็กหนุ่มที่เอาศาสนาเป็นเด็กหนุ่มที่มีอ ي มานต่ออัลลอฮ์อัลลอ์ให้นอนหลับไปสามรอยปีไพอฟื้นขึ้นมาถามว่าวคุณนอนอยู่กี่วันในถน้ำนี้วันเดียวอีกคนว่าครึ่งวันให็ไหมนี่พวกจะเตือนให้เรารู้ว่าคนที่นอนอยู่ในกูโบทั้งหมดเนี่ยกับอยู่โลกดุนยาไปเนี้บางคนอายุ8ปดสิบใช่ไห แล้วตายอยู่ในกูโบอีกพันปียกตัวอย่างพอฟื้นขึ้นมาในวันเกียยมะเขาถามว่าเองนอนอยู่ในกูโบเนี่ยกี่ปีกับอยู่บนดุนยาใบนี้เนี่ยนานกี่วันจะตอบคล้ายๆกันนี่แหละลาบิสนายเยาแมนอาวบ่าดอยเยา์เราอยู่บนโลกดุนยาใบนี้แล้วนอนอยู่ในสุสานอีกรวมแล้วประมาณครึ่งวันหรือหนึ่งวันเท่านั้นเองบางคนอธิบายว่าแค่สามนาที พอไปยืนอยู่ที่ทุกข์มาชัดหันมามองภาพกาบมาโลกดุนยาเอาเราเรานี่อยู่บนโลกดาไปเนี่ยแค่ชีวิตสั้นๆนะยังทนยศ ต, ต่อร้อยอีกเหรอไม่สุญู์ต่อร้อยอีกเหรอไม่หันมาเรียนศึกษาอัลอิสลามมีเดียดพ่อแม่อยู่อีกเหรอเนี่ยหลักการอิสลามสอนให้ทําดีทําดีทดําดียึดมั่นในอัลอิสลามตลอดไปต่อมาอายาที่แปนะครับ ลาอิลลาห์อิลลัห์ยู حي ويوميت ربكم ورب آبائكم الأولين الحمد لله لا إله إ, إ, آ ل ّ ه ยู حي و ي ُ م ي ت รับบุคุมวรับอาบากุมอวัลลนฮัมดลิลลออัลลอธิบายให้ฟัง <c oughs> มาดูสาบครับแล้วอีลาฮะแปลว่าอะไรไม่มีพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโลกใบนี้นอกจาก เนี่ยวันนี้ผมถูกเชิญนะให้ไปนิก้าคนคนหนึ่งเป็นคนออสเตรเลียผมสามว่านับถือศาสนาอะไรไม่มีศาสนาเนี่ยและอีละพระเจ้าบนโลกนี้ไม่มีข้าวยังอ่านี่ ท่านคนที่ไม่มีพระเจ้าบนโลกใบนี้เอาอิสลามไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่นี้อิสลานอกจากอัลลอฮ์เป็นมุสลิมเลยปฏิเสธแล้วว่าพระเจ้าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ไม่มีด้อย่งังเออเข้าใจแล้ ว, วาง่ายดีว่าแต่จะทำไงให้รู้จักว่ามีอัลลอฮ์นะละอีละฮ์ดาอิสลามไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพภากดี คนคนนี้นะไม่มีสัตย์นะผมว่ามาแล้วครึ่งหนึ่งนะ่ะในใจผมน่านึกนะมาแล้วครึ่งนึงเว้ยแต่วันนี้กับ็รับลามไปแล้วนะรับไปไหนรับที่ออสเตรเลียวันนี้มานิก้าโอก็หาหาคนนิก้าไม่ได้ก็มาลงที่คอนเคนตนี่แหละคนแก่จะตายเนี่เราช่วยอ่านกุดบ้างให้ภาษาอังกฤษโอเคนะทีนี้ และอีละฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดในโลกนี้นี่เป็นการเตือนมุมินนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโลกนี้ไม่มีหมอตาแยห ม, ห, มหมอตำแยมีได้หมอดูไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอิลลัลลอห์นอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นสง่างามไหม <c oughs> อ่ทีนี้องนี้ ย, ยุฮัยให้อะไรครับให้มีชีวิต นให้เราเป็นขึ้นมาบนโลกใบนี้นี่หายใจได้นี่อยากคิดว่าฉันแน่อแข็งแรงออกมาลังกายวิ่งฝุดบังรากา้าเชิญแต่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงมีอยู่อย่างเดียวนะครับซิกรรลล์ผมก็เพิงอันพบกันกันไม่มีอะไรดีเท่ากับซิกโรลล์ซิกรรลล์ทำให้หัวใจสงบให้ร่างกายแข็งแรงหายเพลียด้วย เราขึ้นนมาตะฮัดยุดได้ด้วยเนี่ยนั่นคนที่ซิกรุลล้อสม่ําเสมออย่าลืมนะซิกรุลล้อตัวช่วยนะครับไอตัววิ่งที่สุดหลงหอกนะนั่นนั่นหลอกหลอ ก, กันไปโอเคก็ไปโอเคเราไม่ว่ากันออกกําลังเพราะนบีออกกําออกกลังกายวิ่งแขแ่งกับทายิงไอช้ชักนี่นบีสอนออกกําลังกายออกไหมออกแต่การซิกรุลล้อนั้น ทำให้หัวใจสงบทําให้ร่างกายแข็งแรงนี่เตือนกันนะไม่เชื่อก็ได้ไม่มีปัญหาก็ยุฮัยอีอัลลอฮฺให้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่ด้การมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยเราไม่รู้อ่ะอยู่กี่วันเนี่ยรู้ไหมไม่รู้วายูมีทให้เราตายเราก็ไม่รู้เหมือนกันตายเมื่อไร่แต่ว่านบีสอนเราวันที่เราอายุจะอยู่ในคานมานดาอายุเท่าไหร่นะ รอยี่สวันเนี่ยสี่อสวันสี่เดือนเน่ามรยสวันเนี่ยตอนที่อัลลอฮเป่าวิญญาณลงไปในคันมานดาเด็กก็เริ่มหายใจเ่ยเริ่มดิน้นตั้งแต่วันนั้นแหละอัลลอฮฺกำหนดให้สอย่างหนึ่งริสกีของเขาเครื่องยาชีพได้เท่าไหร่สองวันตายของเขา เมื่อไรพอ ร, ริสกีหมดความตายมา ท, าทันทีเรื่องที่สมมีอาชีพทําอะไรนี่เตือนพวกเรานะสมรายการนี้เลือกไม่ได้อลลอกรกำหนดเรื่องที่สี่เนี่ยจะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วอันนี้เลือกได้ไหมออลล็อกให้เลือกมีอยู่ข้อเดียวสามข้อนี้เลือกไม่ได้ริสกีได้เท่าไหร่ตายเมื่อไรไม่มีใครรู้ตัวเองก็ไม้มลาอีกาที่อรอบๆอบอลล็อกก็ไม่รู้ไม่เล่าให้ฟังด้วย แล้วก็จะมีอาชีพทำอะไรแล้วข้อที่สี่นี่จะเป็นคนดีจะเป็นคนช่วยไอ้อันที่สีนี่แหละเลือกได้อีกสามรายการไม่ต้องไปเลือก น, นถ้าจะเลือกเป็นคนดีก็มาเรียนหันมารับอิสลามซะมารู้จักอัลลอฮ์องเดียวกหันมาฝึกมาเรียนอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีอย่างนี้เป็นต้นกันอย่างอื่นไม่มีมีอยู่ทางเดียวยึดอัลล์ ยึดสุนานะนบี ย, ย, ย, ย, ยึดอัลกุรอานแล้วก็ ย, ย, ย, ยึดกิตาบุลลอ่อย่างนี้เป็นต้นยังอื่นไม่มีครับมียุดรอดทางเดียวนะครับยุฮยีวะอยู่มีอัลลอฮ์ให้เป็นแหลงให้ตายเจ้นี้ต้องขออนุญาเด้วยนะอัลลอฮ์ต่อให้ฉันตายในสภาพเป็นอะไรเป็นมุมิน อัลลอพี่น้องครับตายในสภาพเป็นคนกาวเฟสนี่ถูกทรมานตั้งแต่นาทีแรกที่วิญญาณออกจากร่างแล้วนะยังงั้นฟาโรห์ไม่พูดแร้กว่าฉันเชื่อแล้วว่าอัลลอมีจริงอะ่ะพูดทำไมอะ่ะเพราะว่าฝักกัชฟนาะอลัลลอจะเปิดหมดเลยเปิดม่าน่ะวันนี้ปิดอยู่ในไม่ให้เห็นนะพอความตาจะมาถึงขอหอยพาฝักกชฟนาะอังกยุดะอัออลลอจะเปิดม่านให้เห็นหมดเลยว่า หลังจากตายไปแล้วคุณจะต้องเจอนี้เจอนี้เจอนี้เจอนี้ภายในแป๊บเดียวนายเห็นหมดเลยไงถึงพูดว่าอามันฑูฉันเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์มีจริงนบีมูซาเป็นนบีของอัลลอฮ์จริงไปรับสารภาพก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างเพียงสองสามนาทีอ่านม่เชื่อลองตายดูอ่านต่อต่อมาครับอัลลอฮ์เป็นรับบุคุม อัลลอฮฺเป็นพระผู้อภิบาลของสูงเจ้านี่กุรานลงมาให้เกิด น, นบีให้นบีสอนชาวอาหรับที่แอนติอิสลามบอกว่าอัลลอฮฺเป็นรอบของพวกคุณนะเป็นพระผู้อภิบาลของพวกคุณดูแลคุณทุกรายการเลยนะวารอบบุอาบะอกลุมอาบะแปลว่าปู่ย่าตายายแล้วก็เป็นพระผู้อภิบาลของปู่ย่าตายายของคุณด้วย ปูทวดคุณที่มาก่อนหน้าคุณได้ตายไปแล้งนะั้นอัลลอฮ์ก็องนี้แหละรับผิดชอบดูแลอยู่แต่เพียงผู้เดียวทํามาอ้อหมานของเราเนี่ยอะไรนะมั่นคงฉะนั้นการยึดอัลลอ์ยึดรอซูลเนี่ยนบะซาอูดูบอก น, นะว่าการมีญาบเป็นคนที่ได้รับชัยชนะหมดแต่ถ้าไม่ยึดอัลลอ์ไม่ยึดรอซูลไม่ยึดกุนอาเป็นทางนำนางเขาเรียกว่าคอซิดเป็นผูท้ที่ขาดทุน นาก้ามโฮงเกเขาจะจะรัาความเสียใจหลังจากตอนชีวิตวิญญาณจะออกจากร่างของเขานี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับยังมีเป็นต้นนะอัลอาวาลินอาวาันแปลว่าก่อนก่อนที่มาก่อนหนะ้าปู่ย่าตายายเราก็ น, นับถืออัลลอฮ์อัอลลอฮ์ดูแลรับผิดชอบ ตัวปุ่ยแชมิงอัลลอฮ์ก็รับผิดชอบดูแลนะและกอนหน้าตัวปุ้ยแช่มิงใครตะใครอีกอัลลอฮ์รับผิดชอบดูแลแต่เพียนผู้เดียวอันนี้เนอายานี้เตือนอย่าชิ่ิต่ออัลลอฮ์ลออิลลอิลลาหูยุฮยีวายุมิตรับบุคุมว่ารับอาบัยุมุลอวัลีนไม่มีพระเจ้าเอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ อัลลอเป็นผู้ยุฮยีให้มีชีวิตวายูมิทแล้วก็ให้ตายรับบุกุมเป็นพระภู้อภิบาลของสูงเจ้าทั้งหลายวารอบบุอาบาอีกุมเ um, ประพูอภิบาลของบรรพบุรุษ น, บนะบรรพบุรุษปู่ย่าตายายที่ผ่านมาแล้วเปนการเตือนว่าปู่ย่าตายายเนี่ยการตามปู่ย่าตายายได้เนี่ย อย่าตามเยอะเพราะปุย่าตายายเนี่ยทำเชลิกเยอะให้ตามเอาล้อให้ตามรัสรูลแทนเพราะว่าอย่างงี้อีกกลุ่มนึงกด็ดูดูดมสอนดิไม่ให้ตามปุย่าตายายปุย่าตายายบางเรื่องก็สอนดีแต่บางเรื่องมันสอนผิดกับที่ท่านอบียรสอนตั้งเยอะแยะไปหมดอะ่ะฉะนั้นพยานยึดอลัลกรุรอานถ้าอาบา่าเนี่ยปุย่าตายายอิบรอฮีมหัดท่านนึกตรงนั้นใช่ นบีบรหิมนบีนวัวอ่ะอยังไม่ใช่เลยครับถ้าบุญญาโตะเราแชร์เราที่ทําบิดาเชลิกเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่นะอาบะจะเน้นหมายถึงอิบรอฮิเป็นบรรพบุรุษของท่านนบีนวัวภายบรรพบุรุษของท่านอย่างเงี้ยเข้าใจได้นะครับเอาต่อมาครับอายะที่เท่าไรนะยะาที่เก้าครับบัลฮุมฟีชั กียลอาบุบัลฮุมฟีชักียลอบุอายะนี้เตือนว่าถ้าไม่เอาอิสลามเนี่ยคณอยู่ยังไงถ้าไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอสูลไม่เอากุรานไม่ยึดนบีมหฮัมมัดเป็นแบบเนี้ยคุณอยู่ในสภาพไหนในกุรานเตือนนะครับอยายะที่เก้านะ บัลหุมแต่ว่าหุ่มแปลว่าพวกเขาเหล่านั้นฟีแปลว่าอยู่ในหรือ่าสาลวนอยู่ชักกินสงสัยนับถือศาสนาแบบสงสัยเมื่อวานเนี่ยผมวันเส้อเนี่ยเห็นชัดเลยถือถืออะไรครับถือถือพุทธเจ้า พระเจ้าคือใครครับไม่ทราบครับผมก็นึกเลยออใช่เดือดร้อนต้งกุรานะเนี่ยฟีชักคนที่ไม่เอาวลรลไม่เอารอซูลเนี่ไม่เอากุรานเป็นทางนำสำหรับชีวิตนี่นะฟีชักกินอยู่ในความสงสัยเห็นไหมนี่อลัลลอฮ์เล่าเพ้าะอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเร า, ารู้สิแล้วก็ยา่านอาบุญหมกมุ่นกับชีวิตในโลกนี้ ไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ยนี่อัลลอฮ์พูดพูดพูดพูดแดกๆ ด, ดินนีดนั่นนะไม่เอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่ให้เอ็งแย่หรอกให้ให้สนุกให้อิ่ยาลาบับอะไรนะให้หมกมุ่นอยู่กับโลกใบนี้หนึ่งหมกมุ่นกับการหาเงินหาทองหาทูเสียงหาตําแหน่งหาเกียรติยศหาโน่นหานี่เอาไปเลยเพลินไหมเพลินครับเห็นไหมอัลลอฮ์ส่งตัวช่วยมา ไม่เอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ว่าเลยเอาไปเลยหลงแค่สี่ละการห้าละการหนึ่งหลงกับการหาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติหลงกับการหาชื่อเสียงตําแหน่งเกีดยรติยศหลงกับการหาผู้หญิงด้วยอเพลินครับทีนี้ผมเช็คคุรานดูนะคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ยนะหรือว่าไม่เอาเตาเฮดไม่เอาว่าฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่เอาตรงนี้นะแล้วก็ ไม่ไม่ให้ความสำคัญกับอัลลอฮ์เนี่ยอลัลลอฮ์มีมีชื่อเรียกคนที่แอนตี้อิสลามนี่ยยี่สิบชื่อชื่อที่หนึ่งชักกินอยู่ในความสงสัยนับถือศาสนาแบบสงสัยเรื่องที่สองชีวิตเนี่ยหลงผิดเรื่องที่สามยาลาบตะวะ เ, พเพื่เพลินอันที่สี่ ละหูนระเริงสนุกสนานแฮปปี้เห็นไ้ยนี่เอามาแทนนะที่ห้าชีวิตที่ไราสาระชอบนินทาคนด่าคนไม่พอใจด่าเลยข้อที่หกอยู่อย่างอะไรนะเป็นของเล่นชั่วคราวอ่าข้อที่เจ็ดปีกยุง หรืปล่าโรคโดนยาไปนี่นะ่ะคนทีวิ่งหาโลกดุนยาไปนี้นะี่น่ะเขาหายานาฮอบาออลปีกยุง oh แต่นี่นะอัลลอฮ์พูดนะป็นคุรานน บ, บีพูดว่าถ้าหากว่าโลกดุนยาไปนี้มีค่าเท่ากับปีกยุงอัลลอฮ์จะไม่ให้คนกาเฟ่ดื่มน้ําแม้แต่อึกเดียวอันนี้ค่าไม่มีใช่ไหมเอาเอาไปนี่สอนมุสลิมคนที่วิ่งหาดุนยาอย่างเดียวไม่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาอิสลามไม่เอาสุนานะนาบีไม่เอากุราน เอ็งวิ่งหาอะไรครับปีกอะไรปีกอยู่นายนะเอาต่อมาข้อที่แปดสนุกสนานกับความสุขที่ติดอยู่ที่ปลายปลายอะไรปลายนิว้วนบีสอนใช่ไหมนบีเอามือจุ่มไปที่ปลายนิว้วไอ้เอามือจุ่มไปที่น้ำน้ำน้ามหาสมุทรแล้วยกขึ้นมาบอกนี่ดุลยาทั้งหมดที่อยู่ปลายนิ้วคุญย์อะคริวอยู่ในมหาสมุทรทั้งหมดเลยสั้นอย่าหลง สิ่งที่อยู่ที่ติดอยู่ที่ภายนิวนี่น บ, บีอธิบายแบบนี้ยังเข้าใจง่ายไหมง่ายแล้วอีกเรื่องหนึ่งน บ, บีออกไปพาสาบานออกไปกลางทุ่งไปเจอแพหูแหวงตาย <c oughs> น บ, บียกขึ้นมานะ่ะแพหูแหวงเนี่ยจะขายสักหนึ่งแรหนึ่งเหรียญเอาไหมทุกคนสายนาะมบอกทาไมอ่ะไม่เอาครับเพราะมันแพตายแล้วหูแหวงด้วยโลกดุญยากับแบบนี้แหละ ฉะนั้นไอ้หลงชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศก็วิ่งหาเงินหาทองจนกระทั่งลืมอะไรน่ะนะนั่นแหละเอ็งวิ่งหาอะไรนะแพะตายตัวหนึง่งซึ่งหูแหวงไปแล้วนี่เตือนใจเราอย่าให้หลงวัตถุแต่ให้หลงอีหมานเข้าใจนะต่อมาข้อที่ข้อที่เก้าใบตุลงกระบูดแปลว่าวิ่งหาใหญ่แม่งมุมต่อมาข้อที่สิบบอลีน หลงทางข้อที่สิบอกอรลีลุนโลกใบนี้อะไรนะเล็กน้อยไม่มีอะไรถาวรเลยแต่อลอนหล อ, อกใหเห็นข้อที่ข้อที่สิบสองเป็นรีหุนเป็นลมพัดมาเย็นๆเท่า น, นั้นเองข้อที่สิบสมมารลูไปลนะถูกออลอน ก, กิ้วโกรธพวกไหนพวกยาฮูดีต่อมาข้อที่สิบสบอลีนหลมทางข้อที่สิบห้า ยาละโมนอโรรู้แต่เรื่องผิวเผินเรื่องแก่นแก่นไม่รู้แสบไหมเอาโลกดุนยาอย่างเดียวเราเปรียบในคุมรอ่านว่าเองรู้เฉพาะเรื่องภายนอกเรื่องเผนเผยลึลกกว่านี้มองไม่เห็น <c oughs> ต่อมาครับข้อที่สิบหกอิสติโดรจัน คนที่หลงโลกดุญยาไปนี้แล้วก็ร่ำรวยมีนุลเขาค่อยๆเดินทางสู่ความหายณนะทีละขัน้นละขัน้นละขัน้นแบบไม่รู้สึกตัวข้อที่17ได้ชื่อหมายเป็นกาเฟตข้อที่18เป็นมุชลิขข้อที่19เป็นมูนาฟิกข้อที่ย0สเป็นมตรตัดมีชาอยู่คนนึง่งแผงแปลงเพศเป็นเป็นผู้หญิงบอกว่าศาสนาอิสลามนะ่ะว่าเป็นบาปหนัก ทันออกจากอิสลามแล้วโอ้คุยแบบดีใจนะมุตตัดคนตัวศาสนานะโทษขนาดไหนตอนนี้อัลลอฮ์ให้ประวิงกับหาเงินหาทองโออายุไปกันยิ่งเพลินนะยิ่งทิ่งอิสลามยิ่งเพลินนะนี่ร่างให้ฟังนะยิ่งเพลินแบบฟาโร่โก็เพลินกอรูนก็เพลินใครจะใครเพลินหมด พอความตายมาถึงก็หอยอโยอัลลอฮฺจะฉันพลาดไปแล้ว <c oughs> อันนี้เล่าให้ฟังแค่นี้นะครับตัวลังว่าบัลฮุมฟีชักกินคนที่ไม่เอาอิสลามนี่นะไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลไม่เอากุรานพวกเขานั่นอยู่ในฟีชักกินอยู่ในใดนะสงสัยยาลาบูนแปลว่าหมกมุ่นอยู่กับโลกใบนี้แบบสนุกสนานร่าเริ่นี่ให้แค่สองชื่อนะ แต่ชื่อที่ผมนำมาให้แล้วมันยี่สิบชื่อเนี่ยฉะนั้นหลงดุนยานะ่ะเขาเพลินสนุกอร่อยมีบามีไนท์คับเข้ามาแทนด้วยไม่เอามัสยิดก็ได้ไม่มีปัญหาเอาไปเลยตามสบายเอาต่อมาย้ที่สิบเอ็ดขอที่สิบเอ็ดสิบฟารตากิบ ย่าวมาตะติสสะมะอุบิดุขอนิมมุบินอัลลอฮุอะลลอฮฺฟาร์ตะกิบะย่าวมาตะติสสะมะอุบิดุขอนิมมุบินฟาร์ตะกิบะดูคำแปนะจงคอยอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์สั่งเองคยไป ทำบาปไปด้วยอยู่หลงดุนยาไปด้วยหาเงินไปด้วยเที่ยวผู้หญิงไปด้วยบาในขับเชิญเข้าตามสบายแล้วก็รอดาอลออลอฮ์ดซูลไปด้วยอลลอฮ์ไม่ได้ลดเข่นข้าพิ้องมุสลิมไปด้วยใส่รา้ว่ามุสลิมเป็นผู้ก่อการรว่าไปเลยฟัสตติบเองรอเย้ามาวันหนึ่งตะติจะนำมาอัสมาชันฟา วันหนึ่งชั้นฟ้าจะนําเอาออกมาบิดีคอดูคอนแปลว่าอะไรนะไอหมอกหรือหมอกควันมาแน่ครับวันหนึ่งอลัลลอฮฺจะให้ชั้นฟ้านี่นำเอาหมอกควันนี่ออกมาคุมโลกใบนี้หมดเลยครับมูบินแปลว่าเห็นชัดๆโดยสายตาครับไม่ต้องใช้แว่นด้วย โอ้โหนี่หมวกควันมาแล้ววันนั้นคนกาเฟ่จะสลบหมดหมุกมินแค่เป็นเป็นอะไรเป็นวัดทรยศ ต, ต่ออัลลอฮ์ไปเถอะอัลลอฮ์เลี้ยงเอาไปเลยฟาโรห์สี่ร้อยปีให้อยู่ในวงังหนุ่มรูดเนี่ยทรยศ ต, ต่ออัลลอฮ์มากี่ปีครับเพียงเอายุงเข้าใช่ไหมรู้จะมูกยุงขาเปยด้วยนะ ไปดิ้นในสมองนะปวดหัวนะ่ะรักษาไม่ได้ไงก็เอารองเท้านะ่ะวางอยู่มาเคาะที่หัวเนี่ยเคาะอยู่กับทางตายเนะ่เห็นยังนะน่ะเป็นกษัตริยนะ์น่ะเนี่ยลอรล์่ะกัปตานอยะอวดีกับอลัลหันมายึดสุนะ่นาน่บียซามาเป็นมุสลิมซะพี่น้องก่อนที่จะเอารองเท้าเคาะหัวตัวเองฉะ <laughs> นั้น รุ่นนี้เนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะรองเท้าไม่ต้องไปเขาะแล้วอัลลอฮ์จะให้ดูคอนมาอะไรมานะสโมอะไรนะกลุ่มควันหรือว่าไอาอะไรนะไอควันพวกนี้มาไม่ใช่สองจหพอมนี่ไม่ใช่อันี้เล็กๆน้อยไอโรคอะไรนะโควิดเนี่ยที่ทํำท่าจำเป็นหมดจะมาอีกแล้วนะ่ะอันนี้เตือนให้ใส่แมส <laughs> ให้อยู่ห่างๆกาเฟ่หน่อยให้อยู่ ห, าหา่างๆบาร์ในคาบหน่อยเตือนเท่านั้นเองแต่มีหลายคนไม่สํานึกตัวต่อ Allah เอาต่อมาครับตกลงว่าอาดาบมาแน่ไหมแน่กับฟัตตะกิบจงรอฉะนั้นอย่าให้ถึงวันนั้นเลยเ <c oughs> ยามาวันหนึ่งตะตีจะนํามาอัลละห์ชันฟ้านี่ร่ำเองนะชันฟ้าจะนำเอามาแต่ Allah อ, อ, อยู่ เบื้องหลังนะบีดูคอนนำ อ, อะไรนะไอหมอกมูบินเห็นด้วยชัดชัดเห็นด้วยตาป่าบม่ต้องใช้แว่นด้วยเราไม่ต้องส่งกล้องด้วยนะเห็นชัดชัดเลยอย่างนี้เป็นต้นตัวลงมาอาซาบมาแน่ไหมแน่ครับเลิกซะเป็นคนดีดีวกว่าอายาสุ ธ, ธาอายาที่สิบเอ็ดอย่างยาคุชนนาน ฮะดะอาดะบุนอลิมยากษณะสฮะดะอาดะบุนอลิมนี่อัลลอฮ์แก้แค้นแทนนบีอัลละฮ์แก้แค้นแทนมุสลิมที่แอนตี้ที่ด่านบีที่ด่าอิสลามที่ด่ามุสลิมที่เข็นฆ่ามุสลิมทั่วโลกเนี่ยนะอเมริกาเนี่ตัวยุแล้วนะให้มุสลิมทะเลาะกันนะ แล้วก็มันขายอาวุธโนะอ้ น, นี่รูวหมดแล้วใช่มัย้ยยาโคช่าแปลว่าครอบคลุมปกคลุมครอบคลุมอะไรนะดุคอนยังนะสโมกนี่นะไอควันนี่นะครจะปกคลุมอนัสมนุษย์ทั้งหมดเลยนะใช่มั้ยนี่เล่าเรื่องจริง เล่าถึงขนาดนี้เลยยังปฏิเสธ อ, อ, อัลลอฮ์เองหรือยะกชันนาะซึ่งครอบคุมปวงชนถ้าอธิบายยากใช่กะวันนั้นวันที่นครมักกะเนี่ยที่ดานาบีไม่เอานาบีดาสุนานะานบีจะเข็นข้าม oh ู hammad ม oh ู hammad จะต้องโอพยพจากมักกะไปนะอลัลลอฮ์ลงโทษให้หมอกควันนะเต็มมักกะหมดเลยแล้วก็หิวประมาณสี่สิบวันไม่มีอาหารจะกินนั่นอลัลลอฮ์ทดสอบไม่เห็นแล้วแต่นั้น อ่านกูรานได้ข้อเตือนใจขนาดคนไม่เอานบีนะสมัยนี้อารอ ย, ยังเล่นงานแล้ววันนี้อาร้อไม่เล่นงานหรือเล่นครับแต่เล่าให้ฟังแล้วเปลี่ยนแปลงซะยักชนาซึ่งควบคุมปวงชนชาวมักกะซึ่งนี่คือฮาจานี่คืออาซาบุนการลงโทษอาลีมุนที่เจ็บปวดสงครามบดัด มุสลิมสามรอสิบสาคนคนกาเฟตพันคนใครแพ้คนพันคนนะแพ้นะ่ะนี่การเตือนให้รู้นะเองอย่าดูถูกอิสลามอย่าดูถูกสุนนะนบีอย่าดูถูกมุสลิมใครที่ดูถูกอิสลามระวังให้ดีกลับนึกกับตัวซนะพูดยังไงอายะสุดท้ายนะครับอายนี้เตือนเรื่องการขอดวงรับบนานะรับบนานักชิฟนานะ ربناكشف عنا العذاب إن مؤمنون ربناكشف عنا العذاب إن مؤمنون นี ب, ب, <t> ่ส <t> ุทาของวันนี้ครับอันนี้สอนนะอา์นี่สอนมุ่มนเวลาเจออาซาบมาเนี่ย ให้ขอดุอาในในนครมักการนะ่ะอัลลสอนนบีให้ขอดุทเวลาอะไรจะสมุขวันนครมักกเต็ ม, มหมดเลยใช่ไมมุมินต้องขออุทิไม่ใช่อยู่เฉยๆขออะไรครับรอบบานาะข้าแต่พระพู้บรบานของเราอัชิฟอะนาะอัชิฟอันนได้ปลดเปลื้อง อันน้าจากเราอันดาดาการลงโทษนี้การโอ้อลจะปทบทเปลื้องการลงโทษนี้ให้ห่างจากเราโดยเธอต้องขอดุราเวลาเจออย่างนี้อุราโรคโควิดมานี่ขอเปล่าขอครับขอว่าไงอัลลอฮุนีอบิกรมินัลบารุวลจูนูนวลจูซามะมินไซลัสกมต้องขอครับอย่าอยู่เฉย เราในถูกดาววกระนาใหม่ไม่อ่านดูอาอเลยดูอาเข้าบ้านก็อ่านดูอาออกจากบ้านก็อ่านขึ้นรถก็อ่านเข้ามัสยิดก็อ่านจะออกจากมัสยิดก็อ่านเข้าช่วงก็อ่านอานหมดฉะนั้นถ้าไม่อ่านกูอ่านอายาณีไม่รู้เลยว่าเวลามีอาซาบมาอัลลอฮ์สั่งให้อ่านดูอาคนยุคก่อนเขาอ่านดุอากันแล้วรับบานักชิฟอันนั่อาซา อัลลอฮฺจ๋ได้โปรดได้ทรงปรดเปลื้องการลงโทษนี้ให้พ้นจากเราด้วยเถิดอินนามุมินูนเราเป็นพวกศรัทธาแล้วอัลลอฮฺจ๋าอย่าลงโทษเฉลยขจัดปัญหาเดือดร้อนออกไปจากเราด้วยเถิดนี่เป็นการเตือนเราวันนี้ก็เหมือนกันถ้ามีปัญหาเดือดรออ้อนขออัลลอฮฺนบีสอนรองเท้าฉันขาดนะ่ะยังซื้อใหมย่ยังต้องขอจอากอัลลอฮฺ เพื่อเตือนมุ่งมินทั้งหลายเวลามีลูกแต่งงานปาออา้าอัลลอฮฺจ่าขอให้ได้ลูกเป็นลูกที่ซ้อนแล้วก่อนแต่งงานอัลลอฮฺจะให้มีภรรยาที่ศ้อลิฮ้าด้วยเถอดนะยังอยู่ต้นๆฉะนั้นอย่าตะ ก, กับคนที่ไม่ขอดุทิศต่ออัลลอฮฺจะตะ ก, ก บ, บุษคนเยอะยิงช่องหองอวดดีท่า น, นขออุทิศต่ออัลลอฮฺสม่ําเสมนเอนะครับทีนี้ในในทัพซีอธิบา ย, ยว่าคนค น, คนกาเฟตพูดอย่างนี้ คนคาเฟ่ก็ขอเหมือนกันเห็นมุสลิมขอก็ขอด้วยขออย่างเงี้ถ้าอัลลอ์เอาโรคภัยไข้เจ็บหรือเอาอะไรนะเอาการลงโทษนี้เอาหมอกควันนี้ออกไปนะฉันจะรับอิสลามอัลลวฮ์ไอตอแหลก็ฮกกี่ยุคกี่สมัยมาแล้วอย่างนบีมูซามาสอนยังมาฟาโรห์ว่าเอา ขจัดน้ำไม่ให้เป็นเลือดออกไปก่อนฉันจะ accept อิสลามฉันจะเป็นมุมินตามนดีมูซาพอเอาน้ำเป็นเลือดออกไปเอาน้ำสะอาดมาปฏิเสธอีกเอาเหาขึ้นหัวเต็มไปหมดเอารอจะขอเอาหายออกจากหัวด้วยเถิดฉันจะรับอิสลามพอหายดีด่อีกประวัตทิที่ผ่านมาในอดีตสอนให้รู้ว่า อลัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนใจใครไม่มีทางนั่นคนที่อยากรับอิสลามเนี่ยรับเปิดใจนะถ้าอาลัลลอฮ์ไม่เปิดใจเองไม่มีทางนะขนาดมีเงินมหาศาลก็รับอิสลามไม่ได้ขนาดมีตําแหน่งสูงๆก็รับไม่ได้ท่านต้องพึ่งอลัลลอฮ์ประทานอะไรแต่นี่สำหรับเราก็คือเวลาฝนมาเนี่ยขอดว้วยขอสองอย่างอัลลอฮุมมาซอยีบันนาฟิอันให้ฝนตกมามีประโยชน์ หรือไม่ขออัลลอ์จะอยาให้ฝนตกอัลลอฮ์หุมมาฮาวะอไรนะเวลาอะไนาให้ไปตกที่อื่นหรือว่าเวลาลมพายุมาขออย่างนี้อัลลอ์มอนีอัสอัลุกอคอยดาว่าคอยรมาฟีฮะว่าออูุว่าคอยรมาอัลลต์าะว่าอัอูุกมินชาฮวะชามาอัลสลต์าจาอยาให้ลมพายุนี้มาทำลายบ้านช่องเราเลยต้องขอดูอาตลอดเวลาอางนี้เป็นต้นนะ มองหน้าใครแล้วมีผลบุญรูอเปล่าอยากรู้เปล่ามองหน้ามะปะเราแล้วมองใบตุนลนเรแล้วมองอัลกุรอานนี่ทำไม่สายตาดีไปมองหน้าผู้หญิงไม่จะมีเราหนะเป็นยังไงก็เตือนแค่นี้นะไม่เชื่อเรื่องของท่านเราได้แนะนาจากกุรอานจากคดนะิษาจากนั้น มองหน้าภรรยามีผลประบุญไหมมีมองหน้าลูกสาวมีผลรบุญมองหน้าผู้หญิงกลางถนนดีเป่าอ่าก็คิดดูก็แล้วกันมองใบตุ่นละมองหน้าพ่อแม่มีราวันตอบแทนจาก Allah Subhanahu wa taala อุราอัลเลาะหอุราอัลเลาะห์อันดับสากุรกาวะต็มามงในบ้าน